ดูกนภิกษุทั้งหลายข้อที่ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคล ค, รรลบคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอกายของเราจงสงบเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่กายของบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปิติสงบนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดา ดูกนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีกายสงบแล้วไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงเสวยสุขเถิดดูกนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีกายสงบแล้วเสวยสุขนี้ยอมเป็นเรื่องธรรมดาดูกนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีสุขไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิดดูกนภิกษุทั้งหลาย